ไม่รู้ว่าพ่อหลวงแม่หลวงของไทยทํางานปรารถนาความเป็นอะไรทํางานกันจนไม่มีเวลาพักผ่อนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนี่คือหัวใจของชาติไทยเราให้พากันเทิดทูนอย่าพากันดูถูกเหยียดหยามทําลายเช่นอย่างจะทําลายจะไม่ให้มีพระเจ้าอยู่หัวมันคนเกิดมาแล้วพ่อแม่ตายหมดมีแต่ลูกกาพร้าหยิ้มแย้มยิ้มแย้ม มันใช้ไม่ได้นะสะกุลใดที่มีคนคับแคบอยู่ในบ้านนั้นเมืองนั้นแล้วสกุลนั้นไม่เจริญสกุลใดที่มีความกว้างขวางมีจิตใจอันกว้างขวางพิจารณารอบคอบเพื่อทําประโยชน์แก่ส่วนรวมผู้นั้นเป็นผู้ดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเราคือหัวใจของคนไทยทั้งชาติให้พากันทนุถนอมนะอย่าพากันไปทําลาย จะมีแต่ลูกยอมยำย่อมแย้มพ่อแม่ผู้ให้ความร่มเย็นไม่มีมันไม่เกิดประโยชน์อย่างไรต้องรักษาส่วนใหญ่เอาไว้ในประเทศไทยเราก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนี่คือหัวใจของชาติให้พากันเคารพเทิดทูนอะไรที่เป็นหลักใหญ่ของชาติของส่วนรวมให้พากันรักษา พากันเทร์ทูนอย่าพากันทำลายโดยอวดดีหลวงตาพระมหาบัวยาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีเกี่ยวกับหลวงตาพระมหาบัวท่านออกบวชเมื่ออายุ20สิปีตั้งใจศึกษาและปฏิบัติอย่างจริงจัง สอบได้นักธรรมเอกและป ร, ะริญญาสามประโยคได้ภายในเจพัรษาหยุดเรียนบาลีไว้แค่นั้นเพื่อมามุ่งเน้นการปฏิบัติสมาธิภาวนาเพราะเชื่อมั่นว่าการจะหลุดพ้นต้องด้วยการปฏิบัติอย่างจริงจังเท่านั้นจึงมุ่งหน้าไปทางป่าเขาแถวนครราชสีมาท่านมุ่งมั่นกับการปฏิบัติมากโดยนั่งสมาธิเต็มกำลังคราวละ9ถึงวัน โดยเว้นสองคืนบ้างสามคืนบ้างจนก้นแตกปฏิบัติเข้มข้นไม่ค่อยได้ฉันอาหารนานๆนนจึงออกบินทบาทครั้งหนึ่งบางคราวหายไปนานจนชาวบ้านเป็นห่วงนึกว่ามรณภาพต้องส่งคนมาดูหลวงตาพระมหาบัวปฏิบัติจริงจังต่อเนื่องถึง9ก้าปีจนสิ้นสงสัยในหลักธรรมรู้แจ้งในอริยสัจ และประกาศได้ว่าชาตินี้ท่านจะเกิดเป็นชาติสุดท้ายไม่กลับมาเกิดอีกแล้วสำหรับการประกาศตนว่าบรรลุธรรมในพระตรัยปิดกก็มีกล่าวไว้หลายท่านนะครับท่านเรียกว่าบรรลือศีหนาตไม่ใช่การโอ้อวดประกาศตนหรือผิดวินัยอย่างที่หลายคนเข้าใจนะครับการพูดถึงผลการปฏิบัติธรรมในหมู่ของนักปฏิบัติด้วยกันถือเป็นเรื่องปกตินะครับ เฉพาะข้อนี้ก็ทําให้หลายคนปราโมทพระอริยะและก่อกรรมใหญ่หลวงได้อย่างโดยที่ไม่คาดคิดถ้าจะให้ดีหากเรายังไม่บรรลุธรรมก็หลีกเลี่ยงการปราโมทหรือการวิจารณ์ผู้อื่นไว้ก็จะดีนะครับโดยเฉพาะนักบวชหลายคนก็ได้ประจักษ์กับตาแล้วนะครับว่าผมเล็บหรือแม้แต่ชาดหมาที่หลวงตาท่านฉันก็กลายเป็นพระธาตุคือกลายเป็นเหมือนแก้วอั ญ, ญมณีตั้งแต่ขณะท่านยังมีชีวิตอยู่เลยนะครับ เส้นผมกลายเป็นเส้นแก้วใสหลังวันพระราชาพิธีเพลิงศพก็ปรากฏผลึกแก้วใสในกระดูกท่านจำนวนมากหลวงตาเป็นพระสมถะสันโดษแม้จะมีชื่อเสียงมีคนศรัทธามากก็ตามท่านก็ยังวางตัวเหมือนเดิมไม่ถือตัวเข้าพบง่ายออกเดินบิณฑบาตจนกระทั่งเดินไม่ไหวจึงเมตตาให้พระเลขาอุ้มบาดไปแทน ด้วยเมตตาอยากให้ญาติโยมได้ทำบุญกับท่านดวงตาฉันมือเดียวในบาทอยู่กุฏิไม้เรียบง่ายหลังเล็กบริคารก็ของธรรมดาและของใช้อันเดิมต่อเนื่องมาเป็นเวลานานผ้าขนหนูแม้ขาดแล้วก็ยังใช้ต่อจนหมดสภาพวัดก็เป็นวัดป่าแท้ๆไม่มีน้ำไม่มีไฟไม่มีโทรศัพท์เพิ่งจะมามีน้าในตอนหลังนี้เองนะครับไม่มีพุทธพาณิชย์ไม่มีเทพเจ้าให้กราบไหว้ มีพระประธานไว้ระลึกถึงพระพุทธเจ้ากับรูปครูบาอาจารย์เท่านั้นโบสถ์กุติศาลาก็สร้างด้วยไม้และใช้ต่อเนื่องมาเป็นเวลานานไม่เน้นก่อสร้างวัตถุใหญ่โตปัจจัยที่ญาติโยมทำบุญมาก็เน้นไปสร้างคนและช่วยโลกเป็นสำคัญเมื่อจบกิจทางการปฏิบัติท่านจึงใช้เวลาที่เหลือเพื่อเมตตาสงเคราะห์สัตว์โลกโดยไม่เลือกชนชั้นวรรณะ สนับสนุนทุนก่อสร้างและอุปกรณ์การแพทย์แก่สถานพยาบาลทั่วประเทศกว่า200แห่งมอบทุนสร้างโรงเรียนเรือนจำสถานีรถไฟสะพาน ล, ลอยมว ล, ลนิทิสงครา์เด็กพิการและสัตว์ช่วยเหลือทหารตำรวจหน่วยงานราชการอีกหลายแห่งแม้ญาติโยมจะทำบุญกับท่านมากมายท่านก็แจกจ่ายกลับคืนสู่สังคมหมดโดยบางครั้งถึงกับเงินเกลี้ยงบัญชีของวัดป่าบ้านตาดเลยทีเดียว หลวงตาเปรียบเหมือนพระมหาบุรุษผู้กอบกู้ชาติไทยให้พ้นจากหายนะโดยทำโครงการผระป่าช่วยชาตินำทองคำและเงินมหาศาลเข้าคลังหลวงจนประเทศไทยมีสเสถียรภาพทางการเงินแม้เจอวิกฤตเศรษ ฐ, ฐ, ฐกิจก็ไม่ลำบากเท่าประเทศอื่นหากไม่มีเงินทุนสำรองซึ่งภายหลังทองคำได้ทวีคูณเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าประเทศไทยคงลาบากกว่านี้มากนะครับ อาจต้องขายสมบัติของชาติประทังชีวิตเหมือนประเทศอื่นนักลงทุนก็จะไม่กล้ามาลงทุนการกู้ยืมเพื่อบริหารประเทศจะทำได้ยากเพราะไม่มีหลักประกันเรารอดพ้นหายนะทางการเงินมาได้ส่วนหนึ่งเพราะหลวงตาเป็นผู้นำโครงการช่วยชาติท่ามกลางเสียงคัดค้านไม่เห็นด้วยและมองท่านแง่ลบแต่เมื่อผ่านไปสิบกว่าปีถึงเห็นผลว่าส่งผลดีอย่างไร สมดังที่หลวงปู่มั่นเคยทำนายไว้ในอดีตว่าพระมหาบัวผู้นี้จะทำประโยชน์ใหญ่ให้แก่ประเทศชาติและพะศาสนาในอนาคตหลวงตาเป็นพระที่ตรงไปตรงมานะครับผู้จ่าผงผางคนที่เศษแต่สื่ออย่างเดียวอาจจะเข้าใจท่านผิดไปหากได้ไปกราบท่านที่วัดจะได้สัมผัสถึงกระแสเมตตาและจะรู้เองว่าท่านใจดีแค่ไหน หลายคนเจอมากับตัวเองในเรื่องอภินิหารต่างๆการอ่านใจและสั่งสอนคนแตกต่างกันไปคนบางคนก็ต้องพูดดีๆบางคนก็ต้องดุ ด, ด้วยคำรุนแรงถึงจะเอาอยู่เรื่องคำหยาบเนี่ยอยากยกตัวอย่างในพระไตรปิฎกนะครับถึงพระอรหันต์ท่านหนึ่งพูดคำหยาบเป็นประจำแต่กลับไม่ผิดศีลเพราะนั่นเป็นจริตวาสนาเป็นคำเคยชินติดมาจากชาติก่อน ปราศจากการปรุงแต่งพูดคำหยาบแต่จิตไม่ได้หยาบไปด้วยซึ่งหลายคนก็อาจเคยเจอกับคนรอบตัวนะครับเช่นคนแก่บางคนเป็นคนใจดีมากแต่พูดคำหยาบแรงๆแต่เราก็กลับไม่รู้สึกอะไรรู้สึกว่าท่านเมตตาเราด้วยซ้ำอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นว่าสิ่งที่เราได้ฟังได้ยินหรือได้รับการบอกเล่ามาอาจไม่ใช่อย่างที่คิดก็ได้ เรื่องการบรรลุธรรมก็เช่นกันหากศึกษากันจริงพระวินัยจะมีข้อปลีกย่อยเยอะมากนะครับถ้าสำเร็จจริงก็อาบัตแค่เล็กน้อยเท่านั้นหากกล่าวกับพระด้วยกันหรือเป็นการรายงานผลการปฏิบัติให้เหล่านักปฏิบัติฟังเป็นการพูดความจริงเล่าสภาวะธรรมไม่ได้แสดงเพื่อยกตนขมท่านหรือเพื่อหวังลาบยศนั้นตามพระวินัยไม่ถือว่าผิด หลายคนไม่ได้ศึกษาให้ลึกซึ้งก็คิดเหมาไปหมดว่าพระองค์ไหนบอกว่าตนบรรลุธรรมคืออาบัติป ร, ราชิกและองค์ไหนพูดคาหยาคคือผิดศีลไม่ใช่พระอริยะซึ่งความจริงแล้วไม่ใช่เรื่องของธรรมะนั้นลึกซึ้งเกินกว่าจะท่องจำแค่หลักการนะครับหลายคนที่ได้ฟังเทศของหลวงตาและได้สัมผัสกับองค์จริงของท่านที่วัดก็คงจะหายสงสัยเอง แต่ปัจจุบันก็ยังมีคนปรามาทและเข้าใจท่านผิดอยู่มากซึ่งส่งผลเสียและหายนะอันใหญ่หลวงให้กับชีวิตของพวกเขาการปรามาพระอริยเป็นกรรมแรงมากก่อนจะปักใจเชื่ออะไรจึงอยากให้ไต่ตรองให้ดีก่อนและก่อนจะว่าใครก็ควรจะสำรวจตนเองด้วยว่ามีความดีและทำความดีไว้มากพอหรือยังดังนั้น ถ้าไม่แน่ใจอะไรก็อย่าเที่ยวไปกล่าวหาด่าใครเลยจะดีกว่านะครับไม่ศรัทธาไม่ศึกษาและพิสูจน์จนแน่ชัดก็อย่าไปลบหลู่เลยดีกว่าตัวผมเองเนี่ก็เคยปรามายหลวงตานะครับด้วยฟังจากสื่อจนเกิดความเข้าใจผิดต่อมาได้ศึกษาจเจริย ว, วัดของท่านได้พบองค์ท่านจึงได้รู้ว่าที่เคยรู้มาเป็นการเข้าใจผิดทั้งหมด แต่ก็ยังโชคดีที่ไปกราบขอขมาต่อหน้าท่านได้ทันสำหรับคนที่ไปกราบขอ ข, อขมาไม่ทันก็ให้กราบขอขมาหน้าหิ้งพระก็ยังดีนะครับยังไม่สายหรอกที่จะกลับตัวแก้ไขความผิดที่เกิดจากความไม่รู้และยังสามารถร่วมบุญถวายหลวงตาได้กับโครงการต่างๆของวัดบ่าบ้านตาดติดตามและดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่เว็บหลวงตา .com นะครับซึ่งขณะนี้มีบุญใหญ่ ที่ท่านสามารถร่วมได้คือการสร้างเจดีถวายหลวงตาพระมหาบัวนะครับสําหรับท่านที่อยากรู้เรื่องลึกๆเกี่ยวกับหลวงตาดาวน์โหลดเวอร์ชั่นเสียงอ่านที่ผมจัดทาไว้นะครับซึ่งจะมีรายละเอียดที่ทําให้หลายคนต้องแปลกใจเลยว่าหลวงตาท่านทําประโยชน์ให้ประเทศชาติและมีคุณวิเศษเปี่ยมเมตตาสมร tha กว่าที่พวกเราคิดไว้มากมายแค่ไหนขอยกตัวอย่างคํากล่าวจากหล่าพระอริยะพระเกจิอาจารย์แต่ละท่าน ซึ่งเด็กเหล่าถึงหลวงตาพระมหาบัวไว้ดังนี้ท่านมหาบัวนี่แหละที่จะเป็นที่พึ่งของหมู่คณะในวันข้างหน้าในอนาคตเบื้องหน้าพระมหาบัวผู้นี้จะทำประโยชน์ใหญ่ให้แก่ประเทศชาติและพระศาสนาพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตกล่าวพยากรณ์ไว้เมื่อปีพุทธศักราช2482 เมตตาของหลวงตามหาบัวที่ได้ออกมาทำโครงการพระป่าช่วยชาตินั้นเปรียบเสมือนกับผืนแผ่นฟ้าที่ห่มคลุมหรือปกป้องแผ่นดินไทยไว้ทั้งหมดเลยทีเดียวสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถ้าไม่ถึงขั้นหรือทรงคุณธรรมจริงๆแล้วลระก็จะถามปัญหาแบบนี้ไม่ได้หรอกนะ หลวงปู่แหวนสุจินโนกล่าวชมหลวงตาในการสนทนาถามปัญหาธรรมครั้งหนึ่งบุญอะไรก็ไม่เท่าบุญที่ทำกับหลวงตามหาบัวเสียดายที่โยมพ่อโยมแม่ของอัตมาตายไปเสียก่อนหาไม่แล้วจะต้องให้มาทำบุญกับหลวงตาเสียเลยทีเดียวหลวงพ่อสังวานเข ม, มโกพระอาจารย์ของหลวงพ่อสนองกะตะปุญโยวัดสังฆทาน ท่านเป็นพระอาหารหันต์องค์เนี้ข้ารู้มานานแล้วหลวงปูด่ดูพรหมปัญโยธรรมะที่ท่านอาจารย์พระมหาบัวแสดงให้พวกเราฟังนั้นสามารถยึดถือเป็นหลักประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้องไม่มีผิดพลาดแม้แต่เปอร์เซ็นต์เดียวท่านกอ่อเขาสวนหลวงแม่ฉีผู้เคร่งครัดการปฏิบัติจนเป็นที่ยอมรับของคณะสงฆ์ ราเกีจิตอีกจำนวนมากที่สนุรส่วนในคุณของหลวงตาพระมหาบัวเช่นหลวงพ่อพุทธานิโยหลวงพ่อแนนสุพัทโทพระอาจารย์แบนธนากะโรหลวงพ่อปราโมทปาโมทโชหรือแม้แต่คุณดังตรินที่เขียนหนังสือเสดายคนตายไม่ได้อ่านนะครับหลวงตาพระมหาบัวบรณภาพเมื่อวันที่30มกราคมปีพุทธศักราช2554 สิริ อ, อายุ98ปีรวมเวลาที่บวช79พรรษาเฮ้พระมึงเปรียกเหมือนยอดบัวเล่บานพ้นน้ําสว่างสวยแม้ลอยขึ้นบนพ้นมาแต่บัวยังมี สายพระธรรมคือทางไว้ให้ลูกหลานเด็กตามร้อยบัวพระมหาบุตรสุลวนศรัทธา